เวลาได้ธรรมะขั้นต้นแล้วนะมันจะเห็นขันนะี่มันทํางานแต่มันไม่มีผู้กระทานะมีแต่ขันมันทําไม่มีเร า, างั้นที่จิตเนี่ยจะมีความรู้สึกเป็นเราแนบพอได้ธรรมะเบื้องต้นแล้วจะไม่มีความเป็นเราแนบอยู่กับจิตอีกแล้วเหลือแต่ขันทํางานล้วนๆเลย มันจะเข้าลักษณะที่ว่าการกระทามีอยู่แต่ไม่มีผู้กระทาแล้วใครกระทาขันมันทำรูปกระทำงานของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ะทำงานของมันไม่มีผู้กระทาไม่มีเราความทุกข์มีอยู่นะแต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์ความทุกข์มีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ขันอีก การกระทามีอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ขันอีกไม่มีเราไม่ต้องรักษาก็จะไม่มีเราไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษาก็ไม่มีราวนาจะได้ถึงตัวนี้ก็เที่ยงเที่ยงหลายเรื่องหนึ่งเที่ยงจงไม่ตกตำ่ำไม่แปรไปอันที่สองเที่ยงต่อการที่อนิพาน พระโสดาบันบางองค์ก็ชาติเดียวองค์สามชาติบางองค์เจ็ดชาติขึ้นอยู่กับกําลังอินทรีย์แก่กล้าแค่ไหนบางองค์เข้าใจธรรมะแล้วก็ไม่บวชก็มีบางองค์ก็บวชบางท่านไม่ได้บวชเพราะจําเป็นไม่มีที่จะบวชอย่างท่านวัยหลัง หาที่บวชนไม่ได้ทีแ้กบางท่านรู้สึกว่าเป็นฆราวาสก็ภาวนาได้เป็นฆราวาสนี่จะภาวนาได้สะดวกสะดวกเนี่ยถึงขั้นที่สองจะขึ้นขั้นที่สเนี่ยค่อนข้างยากสําหรับฆราวาสงานที่ต้องทําต่อไปก็ดูเห็นขันมันทํางานนะใจก็เห็นขันนี่แหละตัวทุกข์ละ จะเห็นขันเป็นตัวทุกข์นะท้ายปัญญามันแทงตลอดสามโลกธาตุนี้ม่แต่ทุกข์ไม่มีที่หยั่งเท้าลงแล้วมีความสุขได้เลยมันจะไม่มีที่ที่จะเกิดได้แล้วมีความสุขอีกแล้วจะเห็นว่าความเกิดเกิดขึ้นที่ใดความทุกข์ก็มีอยู่ทุกทีใจก็น้อมไปทางออกจากวัตตะไปเลยเป็นลำดับไป มันเป็นไปได้เองนะค่อยๆฝึกอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคนนะอย่างเรื่องบวชไม่บวชอะไรนี่มันเป็นประเด็นรองนะประเด็นสำคัญก็คือการภาวนาเราในภาวะขนาดนี้คล่องตัวดีไหมคล่องตัวดีเราก็ภาวนาต่อไปมันไม่คล่องตัวแล้วรู้สึกเพศคารวะาคับแคบอึดอัด มีเรื่องที่เป็นภาระที่หาสาระไม่ได้นี่เยอะมากเลยก็ออกไปบวชการบวชไม่ใช่โซลูชันเป็นแค่ทางเลือกว่าเพศไหนภาวนาดีก็เอาอันนั้นแหละใครจิตสุขออกนอกบ้างฮะออกกันขนาดนี้เลยเหรอ มีผู้ออกแล้วไม่ยกมือก็มีนะสังเกตไหมจิตเราวิ่งไปวิ่งมาได้เคลื่อนไปเคลื่อนมาได้หลวงปูเ ด, ดินัท่ินบอกจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกเป็นธรรมชาติของมันที่ออกนอกนี่ออกนอกแล้วไม่มีสติไม่มีปัญญานะจิตเขาก็เพื่อมั่นไหวก็ปรุงความทุกข์ขึ้นมาทับถมตัวเอง ้จิตออกนอกแล้วก็มีสติปัญญาอยู่มันก็จะเห็นนะทุกอย่างเป็นทุกข์เป็นโทษออกไปแล้วไม่มีสติไม่มีปัญญากากับออกไปแล้วก็หลงลืนโลวปูดุลสอนนะจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอก ถ้าส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวันไหวไปตามอารมณ์เป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มวันไหวตามอารมณ์เป็นทุกข์ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วมีสติมีปัญญากํากับตัวเองอยู่ก็เป็นมรรคผลที่จิตส่งออกนอกแล้วมีสติมีปัญญากํากับ้เป็นนิโรธงั้นเราออกนอกไม่เป็นไรออกนอกแล้วมีสติมีปัญญารู้เท่าทัน สติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจสติรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจปัญญาเป็นตัวรู้ทันว่าทั้งหมดนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นี่เป็นทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์แล้วทานก็ตบท้ายพระอริยะเจ้ามีจิตไม่โศออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมหมั่นไหวมีความสุขเป็นวิหารธรรมอยู่มีสบาย เอาว่าพระรยาเจ้าของท่านหมายถึงพระอราหันต์เท่านั้นพระยาเจ้ามีจิตไม่ออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมบั่นไหว อ, ออกนอกทำไมไม่จาเป็นต้องออกนอกเพราะจิตนั้นแปลสภาพเป็นธาตุรู้ขึ้นมาธาตุรู้นี้ไม่มีขอบเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมามันเต็มเต็มบริบูรณ์ เป็นเนื่องเดียวกับจั ก, กรวาลไม่มีความจําเป็นที่ต้องเคลื่อนไปเคลื่อนมาอีกต่อไปแล้วไม่เห็นตรงไหนเลยที่น่าจะเคลื่อนไปแล้วก็เคลื่อนไม่ได้เหมือนเราตัวโ ต, วตวเต็มห้องนี้เคลื่อนไม่ได้แล้วถ้าตัวใหญ่เท่าห้องนี้ใช่ไหมกระดุกอดอิกไม่ได้จิตเดินเต็มโลกเต็มจั ก, กรวาลไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วไม่ทําไมไม่กระเพิ่อมบั่นไหวว่าไม่มีอะไรปรุงแต่งมันได้อีกแล้ว พวกเราสังเกตไม้มจิตของเราปรุงแต่งได้อารมณ์ต่างๆเข้ามาปรุงแต่งนะอารมณ์มากระทบก็ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงสุขบ้างปรุงทุกข์บ้างแลจิตของเรายัางถูกปรุงแต่งได้จิตพระอริยะเจ้าในความหมายของหลวงปู่ดุลคือพระอรหันตนะ์ไม่มีอะไรปรุงแต่งทุกอย่างมันทะลุไปผ่านไปเฉยๆเหมือนแสงแดด ผ่านความว่างของอากาศมาไม่ทําให้อากาศร้อนขึ้นเลยไม่สามารถไปปรุงแต่งอากาศได้โากาศก็มืดอยู่นั้นไม่ไม่สว่างด้วยแสงแดนมาถึงโลกโลกก็สว่างขึ้นมาโลกก็ร้อนขึ้นมาได้ปรุงแต่งได้แสงเข้ามาปรุงแต่งโลกได้ทำไมปรุงได้มันมีรูปมีน้ามีที่ตั้งของความปรุงแต่ง เอาง่ายๆถือศีลห้ารู้สึกตัวบ่อยๆ ใ, ใจลอยลืมตัวไปดูกายเป็นทำงานดูใจเป็นทำงานจนเห็นเลยมันไม่ใช่เราหรอกไปฝึกนะเอาแค่นั้นแหละไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกแค่นี้ก็ยากแล้วแค่ศีลห้าก็ยากแล้วจะถือศีลห้าได้ง่ายถ้ามีสติถ้าไม่มีสติถือศีลห้ายาก มีสติรู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันรู้ทันนะกิเลสครอบงาจิตไม่ได้ศีลห้ามาเองศีล5้าขาดไปก็เพราะกิเลสมันย้อมจิตได้กิเลสย้อมจิตได้ก็เพราะตอนกิเลสมาแล้วไม่มีสติไปรู้ทันมันงั้นถ้ากิเลสมานะมีสติรู้ทันแต่อย่าไปดักรอดูกิเลสให้กิเลสมาแเราก็ค่อยรู้เอาห้ามไปดักรอ ถ้าไปรอดูกิเลสนะนั้นกิเลสทาดูกิเลสคือความโลภอยากดูกิเลสในขณะนั้นสติจะไม่เกิดเลยเพราะว่าความโลภมันเกิดเสแล้วนะงั้นให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่าไปดักดูว่าจะมีอะไรให้ดูไหมไปดักดูแล้วมันจะว่างๆไม่มีอะไรให้ดูแล้วตอนนั้นโดนกิเลสหลอกอยู่พอไหวไหมง่ายๆมีสติไหมนะ ฝึกสติให้มากตันแรกมาก็สอนแล้วนะให้ฝึกสติมีเครื่องอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละแล้วถ้าจิตมันเคลื่อนไปจากเครื่องอยู่ของเราก็ให้รู้ทันมันฝึกมากๆแล้วความสุขความทุกข์ความดีความชั่วอะไรเกิดขึ้นในจิตหรือร่างกายเคลื่อนไหวหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไปเอากายก็ได้เอาจิตก็ได้ ตรงนี้มีสายกายมีสายจิตนะในเบื้องต้นฝึกให้มีสตินะมีแบ่งกลุ่มบางคนดูจิตไม่ได้ก็ดูกายบางคนดูกายไม่ได้ก็ดูจิตดูกายบ่อยๆแล้วได้อะไรได้สติต่อไปร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บสติเกิดเองดูจิตบ่อยๆได้อะไรได้สติต่อไปพอสุขทุกข์ดีชั่วเกิดปุ๊บสติเกิดเองนะเบื้องต้นก็มีมีฐานนะเรียกสติปัฏฐานมีฐาน แต่ทอถึงขั้นมีสติแล้วมีจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วไม่มีแล้วสติะระลึกรู้กายก็เห็นกายแสดงใจรักษสติระลึกรู้เวทนาเวทนาก็แสดงใจรักษสติระลึกรู้จิตสังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงดีปรุงชั่วก็แสดงใจรักสติระลึกรู้จิตใจแล้วก็เห็นจะิตใจแสดงใจรักนะมีแต่ใจรักษทั้งนั้นเลย แล้ขั้นเดินปัญญาไม่มีสายไหนสายไหนอีกต่อไปแล้วเพราะเราเลือกไม่ได้ว่าสติจะรู้กายหรือสติจะรู้เวทนาหรือสติจะรู้จิตหรือสติจะไปรู้กระบวนการทํางานของรูปธรรมนามธรรมรู้จิตรู้ใจอะไรเลือกไม่ได้เลยฝึกจนถึงขั้นไร้กระบวนท่าเลยนะไม่มีแล้วมีแต่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเห็นอยู่เท่านี้เอง เรียกว่าไรขบวนท่าแนละ้วไม่ต้องตั้งท่าทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวก็ปฏิบัติอยู่แล้วตลอดเวลาที่นั่งอยู่ด้วยความรู้สึกตัวก็ปฏิบัติอยู่แล้วจะนั่งเก้าอี้นะนั่งควายห้างนั่งยองๆ อ, อย่างหลวพ่อคูณเลยก็ได้หมดนะอย่านั่งอือนั่งฉียนะมีสติอยู่ได้ตลอดนะบางคนจะสอนกันพี่เลนบอกเวลาเข้าห้องน้ํานะอย่าภาวนาบาปกรรมตัวเองกบาปมาสอนคนให้ไม่ภาวนาภาวนาอย่าเว้นวัก จะอือจะฉี่อะไรก็พอนานะไม่ต้องไปท่องพุโทโธพุโทโธหรือเชิญเทวดาทั้งหลายมาไม่ต้องให้มีสติรู้กายมีสติรู้ใจไม่ต้องไปเชิญใครเข้ามาทุเรศบอกเราเทวดาธรรมดาไม่เข้าใกล้คนหรอกเหม็นเหม็นคนคนหนึ่งนะระยะทางที่จมูกเทวดาได้กลิ่นเหม็นของคนคนหนึ่งหนึ่งพันกร้อกิโเมตร งันเทวดามาเข้าทรงอะไรเนี่ยฝันไปเถอะเหม็นจะตายไม่มาหรอกโยเวนมีศีล น, นะมีศีลแล้วหอมเทวดามหาพระมหากัสสปะอะไรเงี้ยบอกหอมศีล ท, ท่านหอมเหลือเกินอา้ามีความสุขแล้วก็ไม่รู้ว่ามีความสุขงัมีความสุขแต่ไม่มีสติ ตรงที่ไม่มีสติจิตมีสองอันนะเป็นวิบากจิตกับเป็นอากุศลจิตแต่ตรงที่มีความสุขเนี่ยแล้วไม่มีสติจิตมีโลภะเป็นอากุศล น, นะเมื่อกี้นี้แต่เป็นอากุศลที่เจอด้วยกุศลฟังธรรมะแล้วร่าเริงตายไปต้องเกิดอีกแต่เกิดดีไม่เป็นเปรตหรอกตายไปเป็นเทวดานั่งยิ้มถึงเวลาหลวงพ่อเทศ ร, รีบมาฟัง มาแล้วก็ยิ้มต่อยิ้มไม่ดูสักทีไม่มีพานหรอกดูว่าแล้วยังยิ้มอีกือแล้วต่อไปส่งกันบ้าน พ, อ, พอใจมันมีแรงแล้วค่ะหลวงพ่อเหมือนมันก็ดูได้เองใช่เพราะเราเคยฝึกให้มันดูเป็นแล้วพอมันมีแรงมันก็ดูเองหรือพอมีแรงนะมันก็เจริญปัญญาเอง ไม่ต้องทำอะไรถ้าไม่มีแรงหรือไม่เคยเจริญปัญญาถึงมีแรงมันก็ไม่เดินปัญญานะนี่ของมันเคยทำแล้วมีกำลังปุ๊บเพิ่มมามันก็ดูของมันเองดีครานี้แยกไม่ออกระหว่างใจตั้งมั่นกับใจถึงฐานนะอันเดียวกันนะแยกไม่ออกนั้นถูกต้องแล้วถ้าแยกได้ผิดแน่นอนเลยอันเดียวกัน จิตถึงฐานจิตมีสมาธิที่แท้จริงจิตมีลัคนูปนิชานจิตเข้าบ้านอะไย่างนี้หลวงพ่อพูดหลายแบบอันเดียวกันวันนี้มันผ่อนคลายกว่าเมื่อวานค่ะแต่ว่าตอนนี้มันตื่นเต้นเลยมันตื่นเต้นเพราะใหม่มาถึงตัวผ่อนคลายเพราะจะกลับบ้านแล้วแล้วไงอีกก็ช่วงหลังมันนู้เห็นไหมว่าจิตใจเป็นของที่บังคับไม่ได้ มันเปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆระหว่างอ น, นิจจังกับอ น, นัตตาเห็นอะไรชัดกว่ากันคิดว่าอ น, นิจจังค่ะนอนิจจังใช้ได้งั้นดูไปทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยสุขทุกข์ดีชั่วมาแล้วก็ไปมาแล้วไปดูอันเนี้ยซ้ําแล้วซ้ําอีกนะอันอื่นไม่ไม่สําคัญเท่าไหร่หรอกแค่ถือศี่ห้าไว้ฝึกใจให้อยู่กับตัวเองแล้วก็ดูเนี่ยมันมาแล้วไปมันมาแล้วไปแค่นี้แหละ จะกลับบ้านแล้วหลวงพ่อมีอะไรจะให้ผมจําไว้ไปปฏิบัติต่อเอาให้จําจนตายเลยไหมครับก็ไปทําต่อสินะจําไว้นะประโยชนเนี้ยครเอาว่ามาคก็จิตมันเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกว่ามันราคากับโทสะมันปนแทรกเข้าไปถ้าจิตไม่เคลื่อนไหวก็ต้องเพ่งเอาไว้คระหว่างเพ่งเอาไว้ก็ปล่อยให้จิตเคลื่อนไหวก็ปล่อยให้มันเคลื่อนไหวแล้วมีสติรู้เอา แต่อย่าให้ผิดศีลราคคาโทสามาก็ได้ไม่ห้ามนะแต่อย่าให้ผิดศีลห้าท่านั้นพอแล้วสมภูมิของมนุษย์แล้วมีศีลห้าช่วงนี้ติดประคองค่ะอยากไปวระคองไว้ประคองเพราะว่าอยากดี<า>อยากดีก็นําความทุกข์มาให้นะแต่ก็ดีไปอยากชั่วเราต้องดูตรงไหนเพิ่มนะคะหลวงพ่อก็ให้รู้ทันว่าใจมันโลภมันอยากดีอยากปฏิบัติอ๋อ แล้วถ้ามันไม่ยอมหายนมันทื่ออย่างเงี้ยทิ้งมันไปเลยลืมมันไปเลยลืมการปฏิบัตินะมารู้สึกใหม่เห็นร่างกายกระดุกกระดิกไปาหางานอะไรทํากวาดบ้านถูบ้านไปลืมเรื่องปฏิบัติไปก่อนให้จิตมันหลุดออกจากที่ล็อกไวอ้ <นะ S 2> อช่วงนี้เริ่มทํารูปแบบอะค่ะเวลานั่งสมาธิอะค่ะรู้สึกว่าเหมือนกายไม่มีแต่ว่าเหมือนจิตเพ่งไปที่ข้อมืออะค่ะแล้วทําไมามันมีข้อมือเรามันไม่มีกายใช่ค่ะ เหลือแต่ข้อมือเนาะค่ะทำงานในไรไปเคลื่อนไหวไปทํางานบ้านซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านอะไรเงี้ยนะแล้วก็คอยรู้ทันร่างกายที่เคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันทํางานไปดูกายบ่อยๆเราไป็รักสวยรักงามนะดูกายบ่อยๆเห็นกายกับใจมัคนละอันกันนะค่อยๆแยกไปเลยค่ะอย่าไปเพ่งให้จิตมันสงบนิ่งลงไปขอบคุณค่ะหลวงพ่อครับ ตรงงานบ้านมาห้าปียังตื่นเต้นอยู่เลยครับหลวงพ่อธรรมดานะครับใครเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้นครับคือหลวงพ่อครับเพิ่งค้นพบเมื่ได้เร็วนี้มาตัวเองอถูกมนุษย์จับไว้ครับหลวงพ่อเหรอโอ้ดีแล้วรู้สึกว่าถูกจับไว้แรงมากๆเลยเนี่ยไปจับมนุษย์ต้องไหมก็น่าจะจับด้วยนะครับหลวงพ่อเขาจับเราช่วยไม่ได้แล้วเราอย่าไปจับเขาก็แล้วกันครับผมทีนี้จะจะทํายังไงดีให้ตรงนี้มันผ่อนคลายลงครับหลวงพ่อ สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมนะดูไปดูไปตัวนี้เยอะๆต่างคนต่างก็มีกรรมมาเจอกันช่วครั้งช่วคราวเดี๋ยวก็แยกกันไปทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองคือการยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นไปด้ื่อยๆแต่ต้องใจแข็งมากเลยทำยากเนาะยากมากกันเนี้ยยากมากถูกมนุษย์จับไว้บางคนถูกอมนุษย์จับไว้ อนมนุษย์จับไว้อะไรเป็นอนมนุษย์บ้างล่างยศโอ้ตำแหน่งเดี๋ยวก็หมดแล้วกันยาแล้ว <c oughs> <c oughs> กันยานะ้พอถึงตุลาต้ น, ต, น, ต, นต้นตุลานะใครการก็ตายเยอะแล้ ว, ลวเฉานี่พวกใหญ่ๆนะกกเสียแนละ้วทนไม่ได้นะแล้วจะเดิมไปไหนมาไหนคนเขารบนอบนอบอย่นี้คนเขาเห็นแล้วเาก็หลบหลบ ไม่มีคนยกย่องเหมือนแต่ก่อนนักการเมืองก็เหมือนกันเป็นรัฐมนตรีใหญ่ๆนะพ้นอำนาจไปเขาไม่ได้นับถือน่าสงสารไปหลงของซึ่งไม่มีสาระว่ามีสาระนะไปเอาของชั่วคราวมาเป็นที่ฝากเป็นฝักตายน่าสงสารเอาว่ามากลาวนมรดกการหลวงพ่อคะ่ะ คือ mm hmm. โยมมีโอกาสได้ถามหลวงพ่อเมื่อวันที่สามสิบสิงหาที่ผ่านมานะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องการเห็นความคิดนะคะ mm hmm. แล้วก็เห็นมันเป็นสายๆแล้วพุดขึ้นมา mm hmm. แล้วหลวงพ่อก็ได้ชี้ว่า mm hmm. ยมมีโทสะกับสิ่งที่เห็น mm hmm. แล้ววันนั้นโยมก็กลับไปก็ได้คุยกับเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกัน mm hmm. เขาก็ถามโยมว่าแล้วหลุดไหมโยมก็บอกว่าหลังจากนั้นโยมก็มานั่งกลับมาดูที่จิตตัวเองก็รู้สึกว่ามันเบาขึ้นนะคะ mm hmm. ท่านี้โยมมีคำถามว่าณเวลานี้เนี่ยโยมเห็นความละเอียดของอันนี้มากขึ้นเนี่ยสิ่งที่โยมจะต้องปฏิบัติต่อไปหรือต้องมี อ, มอะไรมีสติมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางหลักปฏิบัติมีข้อดเดียวเองตั้งแต่ต้นจนจบเลย โอเคแล้วอย่างนี้คืออยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าสิ่งที่โยมเห็นหน้าเวลาเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยโยมจะเห็นว่าความคิดมันผุดขึ้นมาโดยที่ว่ามันเกิดขึ้นมาเองอะค่ะใช่คือแล้วบางครั้งก็รู้สึกว่าเออโยมจะเห็นหน้าเวลานี้โยมจะเห็นความคิดมากกว่าความรู้สึกอย่างอื่นนะคะอย่างความโกรธความหลงความวิตกหรืออะไรเนี่ยโยมจะเห็นน้อยกว่าความคิดนะคะอันนี้มันสังเกตสังเกตเวลามันผุดขึ้นมานะที่ผุดผุดขึ้นมาใจก็ไม่ชอบ นะนั่นแหละที่หลวงพ่อว่าโทสะมันแทรกใจมันไม่ชอบนะให้คอยรู้ทันใจที่ไม่ชอบตัวนี้คือเราต้องรู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแต่นี้เราขาดความเป็นกลางใจเราไม่ค่อยชอบหรอกก็ดูตัวนี้ไปใช่ไหมให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบไม่ใช่รู้ที่มันคิดโอเคนะแบบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะว่างไงนเต้นมากม <laughs> คือ โยมปฏิบัติในรูปแบบโยมจะชอบมากค่ะชอบในรูปแบบก็ปฏิบัติทุกวันประมาณวันละสามชั่วโมงโอ้เก่งนี้ทำยังไงอ่ะเดินเจ้าค่ะเหรอโยมจะชอบเดินเดินลแล้วเห็นอะไรเดินก็ดูความรู้สึกเจ้าค่ะดูความรู้สึกนะดูกายดูบ้างออตามตามที่มัน เ, เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมร่างกายกับจิตมันโคนละอันกันเคยเห็นเจ้าค่ะแล้วความรู้สึกกับจิตก็คนละอนกันคนลอันกันเห็นเนาะโอ้เห็นนะดีแล้วล่ะไปภาวนาต่อเจ้าค um ่ะถูกแล้วล่ะถ้ามันแยกได้นะมันก็เห็นแต่ละตัวม uh ันทํางานได้เองนะเจ้าค่ะเอมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปสั่งมันไม่ได้จริงหนอกคือโยม อยากจะถามหลวงพ่อเรื่องความเป็นกลางโยมไม่ไม่ค่อยมีแล้วค่ะมีมีบ้างอแต่เป็นบางครั้งก็ยังชอบอืสภาว่าที่ดีมันก็ไม่เป็นการมันไม่ชอบไม่ไม่ว่ามันนะค่ะแค่ชอบรู้ว่าชอบไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบไม่ต้องไปห้ามมันมันอยากชอบก็ไม่ว่ามันนะการปฏิบัติขั้นวิปัสนาเนี่ยไม่มีคําว่าต้องต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ไม่มีเลย มีแต่ว่าใจมันชอบรู้ว่ามันชอบใจมันเกลียดรู้ว่ามันเกลียดไม่ว่ามันนะแล้วเป็นกลางเจ้าค่ะแล้วอารมณ์ของของความเป็นกลางเนี่ยโยมคิดว่ามันมันมีสองอารมณ์ใช่ไหมเจ้าค่ะเป็นยังไงว่ามาซิมันความเป็นกลางจริงๆมันต้องมีตัวสภาวธรรมช่วยไหมเจ้าค่ะฮะมันต้องเป็นกลางกับสภาวธรรมนั่นแหละมันมันมันเคยมีตัว ที่ไหวที่ที่ไหวไหวเหมือนเหมือนฟ้าแลบนะคะแล้วมันไหวมันตอนนั้นรู้สึกสามีให้เงินสามีให้เงินแล้วก็ไอตัวนั้นมันมันไหวขึ้นมาสองขนาดแล้วก็ยอมรู้สึกว่าความรู้สึกตอนนั้นเหมือนมันเหมือนมันดับไปแป๊บหนึ่งแล้วก็พอรู้สึกอีกทีหนึ่งมันรู้สึกว่ามัน มันเป็นกลางจริงๆเจ้าค่ะใช่ตรงนั้นนะ่ะกลางจริงๆนะเป็นกลางแบบแล้วตรงนั้นนานๆเกิดทีไม่เกิดบ่อยหรอก อ, อ๋อนีดนีเจ้าค่ะมีมีรอดอยู่ใหม่อีกประมาณเดือนประมาณเดือนหนึ่งจะได้ความรู้สึกนี้ก็ใหม่ตัวเดิมนั่นแหละเจ้าค่ะอืตัวเดิมเกิดขึ้นคราวนี้มันเป็นเรื่องที่น่าน่ า, าตกใจจะมีให้เงินเดือนอีกหรือเ <laughs> ปล่าค่ะ ตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าจะตกใจอ๋อน่าตกใจค่ะแล้วก็คนมาพูดเรื่องที่ไม่ค่อยดีออืแล้วอตัวที่ไหวนี่มันก็ไหวสองขนาดเหมือนเดิมเร็วมากค่ะเออคว่มรู้อซื้อก็ดับอีกแล้วแล้วมันก็มีความเป็นกลางต่อสิ่งไม่ดีมันดูจิตนี่มันจะไม่สะทกสะเทือนเลยเออมันเบิกบานไหมเบิกบานเจ้าค่ะมันมีความสุขเนาะเจ้าค่ะ เห็นมันแหวกบ้างไหมไม่แวกเจ้าค่ะมันเป็ดแต่รู้สึกมันเป็นกลางจริงๆแล้วหลังจากนั้นนะ่ะรู้สึกไหมว่าตัวเรามีหรือไม่มียังมีอยู่เจ้าค่ะโอ้เก่งหลักเข้ายิงยังมีอยู่เหมือนเดิมโอถ้ามันมันแบกออกมาขาดแนละ้วตัวเราไม่มีอีกแล้วอ๋อเจ้าค่ะยังมีแต่แต่โยมถึงอยากรู้ว่ามันควรเป็นกลางตอนนั้นกับ คือกลางข้างนอกเนี่ยมันพูดไปอย่างนั้นหนี่งอ่ะมันไม่กลางแท้หรอกกลาง<อ>แท้มันตอนนั้นแหละอ๋อเจ้าค่ะแล้วเวลากลางแท้แท้เกิดบางทีก็เกิดอริยมรรคไปเลยอไอ้คําว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นนะี่ยยากมากที่จะเกิดเจ้าค่ะมันมันเสมอกันหมดเลยอืมส่วนมากมันไม่ถึงหรอกแล้วเราก็พูดเราเองว่าเดี๋ยวนี้สักว่ารู้ว่าเห็นจริงๆไม่ใช่หรอกเจ้าค่ะนานๆนจะมีทีหนึ่งหรอกเจ้าค่ะมีสองครั้งอืมดีมีปัญญาเจ้าค่ะ ดีนะภาวนาดีไปทําอีกนะเจ้าค่ะแต่เวลาภาวนาขนาดนี้ยจิตถึงฐานไหมขนาดนี้ไม่ถึงเลยเจ้าค่ะโอ้โอเก่งตื่นเต้นมากเลยตอบถูกทุกเรื่องเลยถามอะไรก็ตอบได้ถามว่ามีตัวตนไหมก็ยังมีอยู่มีเออเก่งอย่างนี้ชอบถ้าไม่มีเนี่ยปวดหัวหรอวะยยมขอการบ้าน ที่<ม>ทำอยู่ดีแล้วน ะ, <S S อะเออแต่จิตให้ถึงบ้านจริ ง, รงๆก็แล้วกัน จ, จิตถึงฐานพระนาแก่งบ้านอยู่ไหนอยู่พระธาตุกอดแก้วเป็นสถานที่โน่นเจ้าค่ะเออดีพระนาดีรอบพระคุณเจ้าค่ะกล่าบนมัสการท่านพระอาจารย์ค่ะมาจากไหนล่ะพระธาตุมาจา ก, กชิงรายค่ะมาจากพระธาตุกอดแก้วค่ะโยมปฏิบัติตามแนวทางอื่นมา เกสิปีค่ะแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยก้าวหน้านะคะก็ฟังซีดีของพระจามามประมาณสัมันก้าว<ะ>ยากนะเพราะว่าส่วนมากจิตมันไม่ถูกถ้าจิตถู ก, กมันถึงจะ ก, ก้าวหน้าจิตมันไม่ตั้ง<อ>มั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานาธาตุขันไม่แยกแล้วไม่ก้าวหน้าหรอกค่ะโยมควรจะทําอย่างไรดีใช่ไ่ะที่ทําตอนนี้ก็ถูกแล้วละ่ะก็ทําบ่อยๆค่ะไปทําต่อเจ้าค่ะ กาขวบพระคุณเจ้าค่ะแยกขันได้นะก็คล้ายๆว่าขึ้นต้นทางแล้วที่จะเดินปัญญาเดินปัญญาเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเดินไปเรื่อยไม่ท้อถอยล้มลุกลุกคลานก็ได้นะโบราณเก่งนะล้มลุกลม้มก็ต้องลุกขึ้นมานะคลุกฝุ่นไปแล้วก็คลานต่อไปอย่าไปอยูอย่คลุกอยู่กับที่หมายถึงว่าบางทีเราพราวนาก็เจริญบางทีก็เสื่อมนะเสื่อมก็ไม่เลิก สู้ตายนะมาสการหลวงพ่อครั บ, บผมไม่ได้ส่งการบ้านสามปีแล้วครับ ม, มาจากไหนเนี่ยจากวัดพระธาตกอดแก้วครับโอ้วัด น, นี้ภาวนากันเก่งๆเงยอะเลย <c oughs> เห็นไหมกายกับใจโคละอันเห็นไหมกุศลอากุศลกับจิตเที่ยวโคละอันเห็นไหมนานเห็นดีครับนานเห็นดีก็ยังดีนะอมยังมีโอกาสไม่เคยเห็นเลยไม่ไหวดีที่ภาวนาอยู่ก็ถูกแล้วล่ะ แต่ว่าคอยรู้ทันเวลาจีตเป็นหลายไปคิดจีตเป็นเคลื่อนไปหลไปคิดแล้รู้หลายไปคิดแล้วรู้ฝึก ง, งี้เรื่อยๆขันมันก็แยกแล้วละดีสุการครับกลาวนามิส ก, การค่ะหลวงพ่อเอาการบ้านมาส่งค่ะ อ, อจะบอกว่าระยะหลังเนี่ยค่ะเห็นหลายสิ่งที่ตั้งใจทําโดยที่ไม่ได้คิดหลายสิ่งที่คิดไว้แับไม่ได้ทำํำแล้วก็ ครั้งเวลาขับรถอยู่ค่ะมองไปข้างนอกรามบ้านช่องแล้วมันรู้สึกรู้สึกเหมือนอะไรอวร น, นะคะแล้วงพ่อให<ไ>รู้ทันเรานะค่ะยังไม่กล้าปล่อย <laughs> <c oughs> ก็ยังเห็นอยู่เป็นบางๆเห็นนะความอะไรอววรอยู่นิดๆค่ะ <c oughs> ดีแล้วก็หนูเห็นว่าการภาวนาเนี่ยค่ะยิ่งนานมัก็ยิ่งละเอียด <c oughs> ขอถวายรูปกานามเนี้ยให้หลวงพ่อเมตตาชี้นแนะเป็นลำดับลําดับไปค่ะออจริงเปล่าจริงค่ะ ทนได้นะทนได้ค่ะภาวนานะภาวนาซื่อๆรู้ไปซื่อๆรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆนะกราบนำมัศการเจ้าค่ะที่ปฏิมาปฏิบัติมาก็ประมาณปีกว่าเจ้าค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรื อ, อยังเห็นเจ้าค่ะนั่นแหละดีส่วนมากก็จะเห็นเห็นกิเลสไหมค่ะเห็นกิเลส เ, เ, เยอะเจ้าค่ะเออนั่นยิ่งดีใหญ่ ทำถูกแล้วล่ะเห็นขันมันแยกไหมเห็นเจ้าค่ะถูกต้องอีกแล้วเก่งดีเ ม, มื่อชมไปหลายดีแล้วนะเมื่อก่อนที่ขอนแก่นมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งใครไปเล่าอะไรก็ท่านก็นบอกดีเนาะดีเนาะบางคนเขาเรียกหลวงปู่ดีเนาะกราบขอการบ้านเจ้าค่ะก็ทําอย่างที่ทํานี่แหละะแต่เวลาใจฟุ้งซ่านที่มาก็ให้รู้ทันนะ ใจฟุง้งซ่นก็พุโทโธพุโทโธไปเจนะมันสงบของมันเองอย่าไปบังคับให้มันสงบของหนูมันยังฟุ้งเก่งอยู่เจ้าค่ะไม่หลอกหลอกจริงๆนะเจ้าค่ะพุโทโธพุโทโธหายใจหายใจไปนะแล้ว ร, รู้สึกไปใจเราก็สงบมีเรี่ยวมีแรงแต่อย่าไปบังคับให้สงบนะเขาสงบเองเจ้าค่ะเราแค่พุโทโธพุโทโธบ่อยๆเขาสงบของเขาเอง ถ้าเราพุโทโธเราอยากให้เ้าสงบเราจะอึดอัดอย่างนั้นทําผิดแล้วถ้าอึดอัดแล้วทําผิดนะเจ้าค่ะนพัธการค่ะหลวงพ่ออืเคยส่งการบ้านหลวงพ่อเมื่อปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนนะคะคือหลวงพ่อบอกว่าหนูเ อ, อติดฟุ้สร้างแล้วก็หลงะะอ่ะค่ะทีนี้ก็เ อ, อ ก็คือจะส่งการบ้านว่าก็คือเออหนูก็เห็นความฟุ้งซ่านเยอะขึ้นแล้วก็เห็นว่าตัวเองจงใจอยากดีแล้วก็เห็นว่าหลงไปคิดบ่อยค่ะยังไงก็เป็นความก้าวหน้าของการปฏิบัตินะเข้าหน้าขึ้นแล้วละ่ะขันแยกยังเห็นใจกับใจเป็นคนละอันบ้างไหมตอนที่หนูนั่งสมาธิก็คือหนูเห็นว่าตัวเองปวดปวดขาอะไรค่ะแล้วก็เห็นความ ความปวดแล้วก็เห็นตัวเองที่ปวดแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามนโนไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันเห็นจริงๆนะเหมือนเริ่มแยกแล้วละค่ะดีแล้วละค่ะไปทําอีกนะค่ะขอมาสการหลงคอที่เขาลบอย่างสูงยิ่งอ๋อเหมือนจดหมายราชการเลยแต่ยยมผมก็ได้พบได้กลาบ หลวงพ่อสมัยที่ไปมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั่นแหละครั้งแรกครับหลายปีแล้วเนาะหลายปีแล้วหลายปีแล้วเหรอครับทีนี้ผมก็ยังติดใจอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีมาพบหลวงพ่อพอดีก็มาเข้าคอสมาพบหลวงพ่อนี่แหละเออดีนะดีครับผมก็เรียนมาแต่ปริยัติปฏิบัตินี่ ได้ประเดนเก้ากยมอ่ะได้ประเนเก้าไหมก็ไม่ถึงครึ่งขึ้งนั่นแหละเออเป็นมหาประเดนก็เก่งแล้วล่ะหลบพ่อยังไม่ได้กระทั่งประเด็นสามเลยเพราะฉะนั้นผมก็ได้ปฏิบัติก็สวดเจริญพระปรมีสามสิทธัสสแต่ทานถึงอุเบกขาแล้วก็มานั่งสมาธิก็วันละ สิบนาทีหรือห้นาทีแต่นั่งไปแล้วก็มีแต่อดีตที่ใจมันไปจับออกมาไม่เป็นสมาธิได้หลวงพ่ อ, อ, อ, อ, อตัวนี้จะได้แก้อย่างไงหลวงพ่อเราก็เพิ่มสติขึ้นนะให้มันจับอยู่กับกรรมฐานปัจจุบันของเราจะอยู่กับลมหายใจจะอยู่กับพุโทโธอะไรก็ได้พอเราหายใจไปพุโทโธไปอะไรเงี้ยจิตมันจะหนีไปคิดอดีตเรารู้ทันไว ครับแล้วก็กลับมาพุทโธพุทโธไปไปใจมันมีความสุขอยู่กับพุทโธนะมันก็ไม่ไปหาอดีตหอกครับผมะเพราะฉะนั้นก็มีแต่อดีตนั่นแหละมันเข้ามาเนอะเพราะงั้นถ้าวิปัสสนาไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นเราขออธิษฐานกิตอืจก็อยากปลดปล่อยที่อดีตนั่นแหละครับผมเออครับเราห้ามใจไม่ให้คิดนะห้ามไม่ได้ใจมันจะคิดนะ งั้นวิธีการของเราก็คือพามันคิดเลยพามันมาคิดพุทธโทพุทโธไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่ไปคิดอดีตผมก็ฟังซีดีของหลวงพ่ออยู่กับรถลูกชายตลอดถ้านั่งรถลูกชายก็ซีดีหงพ่อสอนจากบ้านมหาสากขามถึงกรุงเทพจากกรุงเทพถึงมหาสัรขามถึงควัแเจนอยู่ตลอดหลวงพ่อนี่เทศเก่งอย่างเลยครับผม ก็ฟังทีีด่ดพอพนั่นลนลั้นยมเอาปัจจุบันให้ได้เนาะ<ร>นะคือแทนที่จะให้มันไปคิดอดีตเราก็มาคิดอะไรคิดพุดโทโธพุโทโธของเราไปครอมเอาเชิญกลับบ้าน<ร>